ขอความสุขความเจริญจะมีแด่ท่านผูควังทั้งหลายพระสูตรในวันนี้ก็คงพูดเรื่องชาดกต่อไปเรื่องของชาดกนั้นยังที่เคยกล่าวมาแล้วว่าเป็นพระธรรมเทศนาที่พระพุทธเจ้าทรงยกขึ้นมาเป็นตัวอย่างประกอบการแสดงธรรมเมื่อมีเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นในสมัยของพระองค์ ไปทรงหรือสอดคล้องกับเหตุการณ์ในอดีตของพระองค์ก็จะนําเรื่องเหล่านั้นเข้ามาเล่าดังนั้นชาดกแต่และเรื่องส่วนมากจะมีพระพุทธเจ้าในสมัยที่เป็นพระโพติสัตว์ยังเกี่ยวข้องอยู่ยาการเล่านั้นท่านเล่าไว้โดยพิสดารมากคือเป็นการสืบต้นต่อมาจากสมัยที่พระพุทธเจ้าเริ่มปรารถนาพุทธภูมิ เรียกว่าเรื่องใกลๆแล้วต่อมาก็เล่าถึงเรื่องตั้งแต่จุติจากดุสิตสวรรค์ลงมาถือปฏิสนธิในครันของพระนางสิหมามายาดเรื่อยไปจนออกปวดแล้วก็สัสรุนี้ก็เรียกว่าเรื่องใกล้เรื่องไม่ไกลแล้วต่อไปก็จะแสดงเรื่องตั้งแต่ ที่พระพุทธเจ้าได้เริ่มประกาศพระธรรมเทศนาเราถือว่าเรื่องที่เป็นอยู่ในปัจจุบันาชาดกนั้นก็ไม่ได้เรียงตามลําดับชาติว่าไม่ได้เรียงมาชาติหนึ่งชาติสองชาติสาไม่ได้เรียงอย่างนั้นแต่ว่าเป็นการเรียงตามลักษณะของเนื้อหาแห่งเรื่องนั้นๆสําหรับวันนี้จะได้พูดถึง หัวข้อแรกในเรื่องแรกที่ท่านเรียกว่าอปันนกชาดกแปลว่าชาดกที่ว่าด้วยเรื่องการปฏิบัติที่ไม่ผิดมีใจความโดยย่อว่าเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จประทับจูที่พระเชตวันอันเป็นอารามของอนาถบินธิกะเศรษฐีในกรุงสาวัตถีนั่น อนาตบินติกะเศรษฐีท่านเป็นอุบาสกผู้ใหญ่ที่มีศักดิ์ศรีฐานะในกรุงราชสีกรุงสาวัตถีสูงมากก็มีคนเป็นนั้นมากที่มาคบค้าสมาคมกับท่านแต่ท่านก็จะดึงคนเหล่านั้นเข้าหาพระพุทธเจ้าก็มีคนอยู่กลุ่มหนึ่งมันบอกว่าประมาณ500รคนเป็นลูกศิษย์ของพวกอัญญะเดระถี คือนักปวดนอกพระพุทธศาสนามาคบหาสมาคมคุ้นเคยกับท่านแต่ก็ชวนคนเหล่านั้นมาเฝ้าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงธรรมคนเหล่านั้นก็เกิดศรัทธาเลื่อมใสมาฟังธรรมทุกวันเวลาพระพุทธเจ้าแสดงธรรมเขาก็มาฟังกันแต่ว่าตามปกติแล้วพระพุทธเจ้าจะประทับอยู่ใน ประเชศตะวันเฉพาะในพรรษาเท่านั้นหรือประทับเราศรีเดือนอีกแดเดือนก็จะเสดจาริกไปสั่งสอนประชาชนในบ้านในเมืองต่างๆพออันแปดเดือนหลังคนเหล่านี้พอไม่มีพระพุทธเจ้าเขาก็กลับไปเป็นลูกศิษย์อัญญาดิรรชีเหมือนเดิมพอพอระพุทธเจ้ากลับมาเขาก็กลับมาเป็นชาวพุทธอีก พระพุทธเจ้าเสด็จไปสั่งสอนประชาชนเขาก็กลับไปเป็นลูกศิษย์เดรัจฉีอีกก็หมุนวนกันอยู่อย่างนี้หลายครั้งพระพุทธเจ้านั้นทรงรู้ว่าอะไรเป็นอะไรแต่ว่าก็ทรงรอคอยบารมีของบุคคลเหล่านั้นอยู่ก็ไม่ได้รับสั่งอะไรเป็นทีกคล้ายไม่รู้ต่อมาเมื่อเห็นว่าควรจะพูดจาชี้แจงอะไรได้ก็รับสั่งถามในที่ประชุม บอกว่าขาว่าท่านทั้งหลายเมื่อตถาคตไม่อยู่ก็เปลี่ยนแปลงไปเป็นสาวกของอัญญะเดรธีแต่เมื่อตถาคตกลับมาก็กลับมาสู่สำนักของเราจริงหรือท่านเหล่านั้นก็ต้องตอบยอมรับพระพุทธเจ้ารับสั่งให้ท่านเหล่านั้นได้คิดว่าคือในจั ก, กรวาลทั้งสิ้นนั้น เบื้องบนจากมนุสโลกไปจนถึงพระกพรมหรือว่าจนถึงอเวจีมานรกนั้นไม่มีาศาสดาองค์ใดที่จะเหนือกว่าพระองค์คือเหนือกว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายเพราะการที่ท่านทั้งหลายซึ่งเกิดมาเป็นมนุษย์มาพบกับพระพุทธเจ้าเช่นพระองค์แล้วก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเช่นนี้ เราเป็นการละทิ้งโอกาสที่ดีงามไปอย่างน่าเสียดายแล้วก็รับสั่งให้ท่านเหล่านั้นได้คิดเป็นทำนองรับประ ก, กันว่าบุคคลเหล่าใดก็ตามถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งระลึกแล้วคนเหล่านั้นจักไม่ไปสู่อบายเลยร่างกายที่เป็นมนุษย์แล้วก็จะทำกายของเทพให้สมบูรณ์ บุคคลใดถึงพระธรรมว่าเป็นที่พึ่งเที่ยงลึกแล้วก็จะไม่ไปสู่อบายเลยร่างกายที่เป็นมนุษย์แล้วก็จะทำกายเทพให้สมบูรณ์บุคคลใดถึงพระสงฆ์ว่าเป็นชนะที่พึ่งเที่ยงลึกแล้วเขาจะไม่ไปสู่อบายเลยร่างกายที่เป็นมนุษย์แล้วก็จะทำกายที่เป็นเทพให้สมบูรณ์ แล้วก็ทรงแสดงลักษณะพื้นจิตของคนโดยทั่วๆไปสิ่งมีชีวิตโดยทั่วๆไปว่าคนเรานั้นเมื่อถูกความกลัวต่อความตายเขาครอบงำแล้วก็จะเที่ยวพยายามแสวงหาที่พึ่งไปโดยประการต่างๆอาจจะถึงภูเขาบ้างจอมปลวกบ้างต้นไม้บ้างแม่น้าบ้างว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกนับถือของตน แต่ว่าที่พึ่งเหล่านั้นไม่ใช่เป็นที่พึ่งอันเกษมไม่ใช่ที่พึ่งอันสูงสุดคนถึงสิ่งเหล่านั้นเป็นที่พึ่งแล้วไม่สามารถจะหลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้แต่เมื่อใดบุคคลมาถึงพระพุทธเจ้าประธรรมประสงว่าเป็นชนะที่พึ่งเชียลึกแล้วเพียรพยายามปฏิบัติไปจนเห็นอริยสัจทั้งสี่ประการคือทุกข์เหตุเกิดแห่งทุกข์ความรับทุกข์ และข้อปฏิบัติให้ถึงซึ่งความดับทุกข์นั่นเป็นชนะอันกเกษมนั่นเป็นชนะอันสูงสุดพูดถึงสิ่งเหล่านี้เป็นชนะแล้วก็จะหลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้การที่ท่านทั้งหลายซึ่งได้มาสู่สำนักของเราแล้วก็ขวนกลับไปสู่สำนักของอัญญเรตีเช่นนี้โอกาสที่จะประสบความพิบัตินั้นก็มีได้ง่าย คนในสมัยก่อนแม้ได้ฟังถ้อยคำของบัณฑิตคนหนึ่งเท่านั้นเองแต่ก็ตั้งอยู่ในถ้อยคำของบัณฑิตละเว้นข้อปฏิบัติที่ผิดมาปฏิบัติในข้อที่ถูกต้องทำตนเองให้ประสบความสวัสดีได้ก็มีมาแล้วในอดีตรับสั่งเพียงเท่านี้ก็หยุดท่านเหล่านั้นก็กราบทูลให้พระพุทธเจ้าเล่า เรื่องอดีต ท, ที่ทรงแสดงว่ามีคนเป็นอันมากที่ปฏิบัติตามถ้อยคําของบัณฑิตเท่านั้นคือไม่จะถึงกับพระพุต่เจ้าแต่ก็หลุดพ้นจากอันตรายปลอดภัยได้นั้นมีใจความเป็นอย่างไรพระเจ้าก็รับสั่งเล่าว่าในอดีตการนานมาแล้วเมือเ่อ พ, พระเจ้าพุมทัศน์เสวยพระราชสมบัติในปนนครพาราณสีในคราวนั้นพระโพธิสัตว์เกิดในสกุลของพ่อค้า แล้วก็มีสหายคนหนึ่งซึ่งเกิดในสกุลของพ่อค้าเหมือนกันแต่ว่าเป็นคนมีปัญญาทึบไม่ค่อยเฉลียวฉลาดอะไรก็รู้จักคุ้นเคยกันในฐานะที่เป็นนายกองเกวียนด้วยกันต่อมาคราวหนึ่งทั้งสองฝ่ายนั้นก็เตรียมขบวนเกวียนจะไปค้าขายในต่างจินก็ฝ่ายละมีตั้งห้าร้อยเกวียนพระโพธิสัตว์ท่านคิดว่า ถ้าจะไปกันอย่างนี้พร้อมๆกันมันก็มีปัญหาในเรื่องเดินทางในเรื่องอาหารการกินในเรื่องน้ําที่สัตว์จะคนจะบริโภคใช้สอยก็มีปัญหามากก็ไปหาหัวหน้ากองเกวียนอีกคนหนึ่งว่าพวกเราสองคนเนี่ยคนหนึ่งควรไปก่อนแล้วคนหนึ่งควรไปทีหลังคนน้องก็บอกเขาขอไปก่อนโดยก็มองเห็นประโยชน์จากการไปก่อนว่า ถนนทางนั้นทางเดินของเกวียนนั้นก็ยังไม่แตกแล้วก็ผักญ่าอาหารต่างๆก็มีอยู่ในสถานที่นั้นไม่ถูกใครเก็บแล้วเมื่อไปถึงเมืองที่เขาก็สามารถตั้งราคาเอาได้ตามต้องการเพราะไม่มีใครมาเทียบเคียงราคาแต่พระโพธิสัตว์เองท่านก็มองเห็นเหมือนกันว่าการที่ท่านไปที่หลังนั้นมันก็ดีหลายอย่าง คือทรงใดที่ถนนยังเป็นยังครุขระอยู่คนเหล่านี้ก็ต้องตกแต่งสถานที่เหล่านั้นไม่ครุขระอะไรที่รกคนเหล่านี้ก็ต้องถางเจะแล้วแล้วก็ผักหญ้าใบไม้ต่างๆระหว่างทางคนเหล่านี้เก็บไปคือเด็ดยอดไปตั้ง15วันมาก็แตกยอดขึ้นมาใหม่ไม่ยญ้าหญ้าก็เหมือนกันเพราะงั้นคนของท่านก็ดีโคของท่านก็ดีจะก็ได้กินหญ้าอ่อนได้กินผักอ่อน แล้วไปถึงก็ไม่ต้องไปตั้งราคาเองเพราะคนอื่นก็ตั้งราคาไปแล้วท่านก็ไปสบายๆก็ตกลงว่าหยิบไาหนึ่งก็ไปก่อนแต่ว่าในทางนั้นเขาเรียกว่าทางกันดานสมัยโบรา ณ, ท า, ราณทางกันดานก็มีหลายอย่างคือกันดานด้วยด้วยอมนุษย์กันดานด้วยน้ำกันดานด้วยโรคภัยไ ข, ขย้เจ็บ แล้วกันดานด้วยทรายอะไรทะเลต่างๆเนี่ยทางเดินไม่สะดวกออซึ่งคนที่เป็นนายกองเกวียนจะต้องมีความชำนาญในเรื่องเหล่านั้นแต่เส้นทางที่จะไปนั้นกันดานด้วยอมนุษย์และกันดานด้วย น, น้าอมนุษย์ที่สิงอยู่ในที่นั้นท่านบอกว่าเป็นยักษ์ก็เห็นว่าคนมากันเป็นนั้นมากก็มาเพื่อจะหลอกลวงคนเหล่านี้ให้ทิ้งน้าเสีย ก็ถ้าหากว่าขาดน้ําก็ต้องตายแล้วเขาก็จะไดะ้กินมนุษย์เหล่านั้นได้สัตว์เหล่านั้นเป็นอาหารก็มาถึงก็ ท, ทําทีคล้ายๆกับบอกฝนตกมาใหม่ๆแล้วก็ประดับประดามีดอกบัวมีงาบัวมีอะไรต่ออะไรที่ว่าเกี่ยวกับน้ํำๆก็ประดับตกแต่งมาเป็นนันมากแล้วก็มาถึงก็บอกให้พ่อค้ากลุ่มนี้ว่าข้างหน้านั้นมีน้ํามากมาย ผลก็ตกมาใหม่ๆท่านไม่จําเป็นจะต้องไปวันทุกเวียนไปตั้งหกสิบตุ่มอย่างนี้หรอกทาให้กองเกวียนมันล่าช้าปเปล่าๆทุบตุ่มทําลายเสร็จแล้วก็ไปตักน้ํามาข้างหน้าเวียนจะได้ไปเร็วคนนี้เนื่องจากไม่ฉลาดไม่มีการวินิจวิเคราะห์ให้ดีที่สุดก็สั่งลูกน้องให้ทําลายตุ่มน้ําหมดเลยเมื่อเดินไปในหนทางก็ปรากฏว่าไม่มีอะไรเจอความแห้งแล้งมากเข้าทั้งคนทั้งสัตว์อ่อนเพี่พยพี่แรงในที่สุดก็ตาย ก็ตกเป็นอาหารของยักษ์อยู่ในทางกันดารทั้งหมดหลังจากนั้นสิบห้าวันขบวนเ ก, กวียนของพระโพธิสัตว์ก็เดินทางไปบนสายเส้นทางสายนั้นอีกระยกัก็มาแสดงตนบอกกล่าวโดยทํานองเดียวกันพระโพธิสัตว์ท่านมองท่านมองว่าเส้นทางสายนี้ก็มีข่าวลือกันว่าเป็นทางที่กันดารด้วยน้าและกันดารด้วยอมนุษย์ คือเมียมนุษย์รบกวนคนนี้ท่าทางองค์อาจกล้าหาญตาไม่กระพริบแล้วก็ไม่มีเงาแสดงว่าไม่ใช่คนเพราะงั้นท่านก็บอกว่าขอให้ท่านไปเถอะคือหน้าที่ของท่านท่านก็ไปแต่พระเจ้าเองนั้นจะไม่ทําลายไอ้สเสบียงที่เตรียมไว้เมื่อยังไม่เห็นสเสบียงอื่นจะไม่เท น, น้ําเมื่อยังไม่เห็นน้ําอื่น และในที่สุดพวกยัก์ก็หลบไปไปอยู่ที่เมืองของตัวควายลูกน้องที่ตามกระบวนพระโพธิสัตว์ก็เห็นเข้ามาเสนอเช่นนั้นก็เข้าไปขอร้องว่าพระโพธิสัตว์ให้เทน้าทิ้งเพื่อเกวียนจะได้เบาเลิกไปได้เร็วพระโพธิสัตว์ท่านก็เรียกประชุมหยุดกองเกวียนเรียกประชุมทั้งหมดเดีตั้งปัญหาให้คิดว่าท่านทั้งหลายเคยได้ยินข่าวไหมว่า เส้นทางสายนี้กันดานด้วยน้ำและกันดานด้วยอมนุษย์เขาบอกเคยได้ยินทีนี้การที่คนเหล่านี้มาแสดงตัวว่ามีน้ามีท่าอยู่ข้างหน้าเป็นนั้นมากนั้นท่านรู้ไหมว่าเขาเป็นใครเขาไม่รู้พระโพธิสัต์ก็เตือนว่าคนที่เราไม่รู้ว่าเขาเป็นใครเนี่ยเราจะเชื่อเขาได้ยังไงที่จริงคนเหล่านี้ก็เป็นยักษ์่ก็ชี้แจงเหตุผลที่ท่านสังเกต ว่าถ้าทางอง์อาจกล้าหาันตามใม้กระพริบมองไปไม่มีเงา แ, แสดงว่าเป็นยักษ์ไม่ใช่มนุษย์ในประการหนึ่งนั้นก่อนที่ฝนจะตกจะต้องมีลมฝนโชยมาเสียก่อนไอ้ลมฝนโชยมาจากจุดที่ฝนตกนั้นห่างกันเท่าไหร่ก็บอกประมาณสามโยชน์มีใครสัมผัสลมบ้างไหมก็ไม่มีใครสัมผัสแล้วก็คว้าแลบจะต้องมีค้าแลบก่อนใครเห็นคว้าแลบไหมไม่เห็น ก็ในที่สุดตกลงว่าไอ้ข้อสังเกตต่างๆที่ตั้งไว้นั้นไม่มีใครตอบได้เพราะสัญญาณก่อนฝนจะตกในที่สุดพระโพธิสัตว์ก็สรุปว่าพวกเราจะไม่เทน้ําทิ้งจาบเท่าที่เรายังไม่พบน้ําและท่านเองนั้นมีความเชื่อมั่นว่าขาบวนเกวียนกองแรกก็คงจะตกเป็นอันตรายไปแล้วในที่สุดตกลงไปกันโดยไม่ทิ้งอะไรเลยพอถึงในที่จุดซึ่งกองเกวียนกองแรก ตายไปก็กระบวนเกียนกองนี้ก็ไปเปลี่ยนเกวียนเหล่านั้นเอาเกวียนดีๆมาใส่ในกองเกวียนเอาตัวเองเอาสินค้าที่ดีๆก็มาสับเปลี่ยนแล้วก็ไปค้าขายกลับมาสู่บ้านโดยความสวัสดีและในที่สุดก็ทรงสรุปเป็นภาษิตเจียงสองบรรทัดว่าคนทั้งหลายบางพวกนั้นไม่รู้อะไรเป็นเหตุของอะไรอะไรเป็นผลของอะไร พวกนักคาดเดานั้นก็อาจจะเดาไปได้ทั้งสองทางแต่ว่าบัณฑิตทั้งหลายนั้นแยกได้เด่นชัดแล้วก็จะเลือกเอาทางที่ไม่ผิดเท่านั้นเองนี่ก็เป็นใจความแห่งอปันนกะชาดกอปันนกะแปลว่าข้อปฏิบัติที่ไม่ผิดซึ่งก็เหมือนกับอบปันนกสูตรโดยความหมายแล้วก็เหมือนอปันนกสูตรที่เคยกล่าวมาแล้วแต่ว่าเป็นคนเป็นการกล่าวคนระดับกันข้อความที่น่าสังเกตอยู่ก็มีอยู่หลายประเด็นด้วยกัน ประเด็นแรกคือคนในสมัยพุทธกาลที่เคยบอกว่าปกติก็จะตื่นเรื่องพระพุทธเจ้ารู้ขา่ารู้คราวพระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติก็จะมากันมาเฝ้าก็มากันมากันด้วยลักษณะต่างๆแต่คนกลุ่มนี้มาแปลกนั่นก็มีน้อยที่จะมีลักษณะอย่างนั้นคือมีลักษณะโผล่ข้าวโผล่ออกอยู่เรื่อยๆ พระพุทธเจ้าอยู่แกก็ฟังทำดีปฏิบัติยืนยันนะยืนยันประยืนยันตนเองเป็นอุบาสกเอสาหังพันเตมาเลยแต่พอพระพุทธเจ้าไม่อยู่แกก็เปลี่ยนเป็นอัญญาเดชีเป็นลูกศิษย์ของอัญญาเดชีต่อไปปัญหาเหล่านี้เป็นปัญหาที่น่าคิดแม้ในปัจจุบันท่านทั้งหลายจะพบว่าในขณะที่เราพุทธังสนังกัจฉามิการเนันติเมสนังอั ญ, ญยังปตเมสนังวรังอะไรว่ากันไปอย แต่ปัญหาในชั้นการของการดำรงชีวิตแล้วเราก็มีความสับสนกันไม่ใช่ย่อยเหมือนกันยางในกรณีของความชื่อถือคือบางครั้งบางคราวเราแสดงคล้ายๆกยับเป็นคนมีความปณีประนอมนะคือไปได้ทุกงานวันตุ๊จีนก็ไปวันคริสต์มาสก็ไปโบสถ์คริสก็ไปเป็นอิสลามก็ไปอะไรต่ออะไรคล้ายๆมีลักษณะปณีประนอม แต่ว่าแท้ที่จริงแล้วส่วนหนึ่งแสดงให้เห็นถึงความไม่มั่นคงไม่มั่นคงในด้านจิตใจของบุคคลเหล่านั้นคือศิลศาสตร์ก็เอาเอาโ ห, ห, หราศาสตร์ก็เอ า, เอาสงฆ์เจ้าเข้าผีก็เอาอะไรอะไรเนี่ยคือเชื่อไปหมดเลยแสดงให้เห็นว่าจิตใจนั้นสับสนไม่มีความเชื่อมั่นในพระรัตนตรัยแล้ไม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือ ไม่มีความเชื่อมั่นในตถาคะตะโพชิตาคือการศัสรูของพระพุทธเจ้าทำให้เวลานี้ความคิดความอ่านของคนเรามีมากทีเดียวที่ถ้าเขาเพก ม, มาจากเมืองนอกเม d ดเอนเจแปนเม็ดอินแล้วก็เฮโลสลาพากันไปกยกตัวอย่างที่เราเห็นได้ ง, ง่ายในปัจจุบนันเนี้ยโย เ, เ, เรเนี่ยเผยแพร่เร็วมากโยเรนี่ที่จริงอะไรคือก็หลักวิธีกรร ม, มาฐานแต่มันเป็นจิตวิทยา ประเด็นสำคัญมันอยู่ตรงไหนมันอยู่ที่เราเชื่ออยู่ตรงเราเชื่อนิดเดียวเท่านั้นเองแตถาถ้าจพูดถึงพลังอำนาจผลประโยชน์ต่างๆแล้วก็คือแนวของกสิโณโอนนาปนาณสติโยเรเนี่ยแต่ทำไมเราไม่เอาของพุทธดึงขึ้นมาใช้ซึ่งของพุทธเราดีกว่าแต่เพราะเราก็มองผ่านๆ น, นะฮะเพราะเมดินไทยแลนด์คน <S <S ไม่ค่อยนิยมเท่าไหร่นองเมดินเจแปนเมเด ทําให้โยเรได้ได้ช่องตรงนี้ก็เข้ามาทีนี้พลังของความเชื่ออย่างที่มาเคยเล่าให้ฟังว่ามันก็อยู่ที่ความเชื่อเช่นอาซะพายกว่ามาเองไงทุกวันนี้ยังนอนอยู่ถูกยิงที่สันหลังะกระสุนเข้าฝังอยู่ที่เอข้างหลังอะไรไขข้อสันหลังหลายปีมาแล้วเกือบ10ปีแล้วเนี่ยยังนอนอยู่ หมอไม่กล้าผ่าตัดเพราผ่าตัดกลัวจะเป็นนามาพาศไปเลยต่อมาหมอทางสายศาสตร์คืออาตภาพยในเชื่อสายศาสตร์จังเขาบอกเขาสามารถจะเรียกลูกกระสุนออกมาได้เรตกลงไปทำพิธีกันเรียกก็มีจริงนะลูกกสุนหล่นมาจริงดังแก้งเลยลงในขันน้ํามนต์เรียบร้อยแล้วลูกกระสุนขนาดเดียวกันก็มีรอยถูกกระทบที่ปลายเหมือนกัน พอหยิบมาให้แกดูเนี่ยแกหายทุกขึ้นเดินทำงานทำการได้ตั้ง90วันแข็งแรงไงทำงานทำการได้ก็หมอก็สั่งว่ามีข้อแม้อย่างหนึ่งว่าภายใน90วันเนี่ยห้ามเอ็กซเรย์ทีนี้อาก็อามาเนี่เป็นคนไม่ค่อยเชื่อก็ 90, กบ็9กก็ปล่อยไปก่อนกเห็นก็แข็งแรงดีแต่ทีนี้เพื่อให้สบายใจเพราะแกเป็นตำรวจพอเลย90วันแกก็นำไปเอ็กซเรย์ พอหมอเอาเพียมอเอ็กซเรย์มาดูก็ลูกกระสุนก็ยังบางเหมือนเดิมอาสะพายอ่อนย่อบลงไปทุกวันยังนอนอย่านี้เนี่ยนั่นจะเห็นว่ามันเป็นอย่างเงี้ยมันเรื่องเชื่อตัวเดียวแต่นั่นเองครเชื่อขึ้นมาแล้วมันก็เกิดเป็นพลังขึ้นมาแต่ว่าศาสนาพาครุฑนั้นเราไม่ค่อยเชื่ออย่างแนวกังโยเรบอกเอานะคุณลืมทนะหมดนั่นลืมไม่หมดนัมมด่มาเพ่งอย่างงั้นทําอย่างนั้นนะฮะก็คือปาริพโอดตัดปริโพโอดของเราอ่ะแต่ว่าพอนั่งกรรมาฐานเราไม่ยอมตัดปริโพโอดมานั่งกรรมาฐานยังคิดถึงที่บ้านนี แต่พอโยเรเราเชื่อพราะเขาบอกให้ลืมหมดนะั้นลืมหมดทําใจนิ่งๆอยู่อย่างนีนะ้เราก็เชื่อบางก็เราพอพูดสอนเราไม่ยอมตัดปริโพลดแต่พอญี่ปุ่นสอนเรายอมตัดปริโพลดแต่บอกเ อ, อิดีสบายใจดีหายกลุ่มก็หายนะสิก็ทําไมไม่หายแล้วก็หายด้วยกันแหละนี่คือความผิดพลาดอย่างแรงๆของเราแล้วในที่สุดเวลานี้เรียกตัวเองเป็นอมมาสุดุ้งมันก่อนนไปที่ตะลิงชันเขาเรียกตัวเองว่าสาวก สาวกก็หมายถึงว่าอะไรไม่สามารถสืออะไรเนี่ยเป็นาศาสตาก็แสดงว่าเราแยกตัวออกจากพระรัตนตรัยไปแล้วถ้าอย่างนั้นเนี่ยพอเราประกาศคนอื่นเป็นาศาสดาแล้วเนี่ยเรายอมตอนเป็นสาวกเขาแล้วนี่คือจุดมันมันม น, มนิดเดียวเท่านั้นนะเรื่องความเชื่อท่านอย่าลืมว่าพลังความเชื่อเนี่ยพลังภายในตัวเราเนี่ยมันจะออกมาจากความเชื่อนะจากความตกใจจากสถานการณ์ต่างๆ ท, ที่ที่มันบีบขึ้นมาเนี่ยมันจะเกิดพลังขึ้นมา ส่วนมากความเชื่อกับความตกใจเนี่ยมันมันเออความเชื่อความตกใจความสงบนะมันจะเกิดพลังยกตัวอย่างในกรณีของความตกใจเช่นสมมติเราไฟไหม้ไฟไหม้หรือว่าเล่นไพ่ตำรวจมานี่วิ่งนะที่บางลำพูในวันก่อนไฟไหม้ที่บางลําพูนี่มียมคนหนึ่งแกแบกโอ่งมาในวางข้างกําแพงวัดวอรเนี่ยเวลาไฟเลิกแล้วเนี่ยแกยกตั้งสี่คนนะแต่ตอนแกแบกแกแบกคนเดียว น, นั่นเองนั่นคืออะไรคือพลังตกใจ พลังตกใจมันก็ดึงเอาพลังภายในขึ้นมาใช้แล้วพลังของความเชื่อก็อย่างที่ว่ามาแล้วนะฮะตอย่างเยอะไอเรื่องความเชื่อเนี่ยอย่างอย่างไอทหารอะไรที่ในสมัยญี่ปุ่นขึ้นนะฮะทหารที่นครไอรบยิงแกเป็นทหารแตรรบคือทหารราบนั้นไปอยู่คอยจะไปขึ้นไปสงราเพราะเขรู้ญี่ปุ่นจะขึ้นสงราอยู่นี้ส่วนมากเป็นทหารแตรพอญี่ปุ่นขึ้นก็ไม่รู้ยังไงก็จับปืนก็ยิงไอคนนี้มีพระอยู่องค์หนึ่ง แกก็พระอมอมก็ยิงพอเหนื่อยขึ้นมาก็ก้มลงดื่มน้ําก้มลงดื่ ม, มน้ําพอก้มลงเนี่ยฮะพออ้าปากเนี่ยพระอรุณโด น, นแกก็ตะครุบตะครุบปั๊ก็ใส่ปา ก, ก, าปากไม่ทันตัวไปเจอลูกเขียดมันดิ่นเลยทีเนี้ยกเขียดดิ่นดิ่นแกก็เชื่อว่าพระช่วยแล้วพระปลุกแล้วพระขึ้นแล้วไปบุกยิงใหญ่เลยบุกยิงใหญ่เลยแกฆ่าญี่ปุ่นได้เยอะคนเนี้ยพอเหนื่อยขึ้นมาก็หยุดพักอ่ะ พักรบป้ออ้าปากขายพระามาันดูเจอบรรุเขียดกว้างลูรเขียดแตกกระดาษส่งเลยเราบอีกทีก็ตายไปดินี่เพราะอะไรพราะหมดความเชื่อความเชื่อมันหมดลงไปเมื่อเมื่อก่อนเราเชื่อว่าพระขึ้นแล้วก็เกิดดึงเอาไอ้พลังต่างๆขึ้นมาแต่พอเราหมดความเชื่อเนี่ยกลายบรรุเขียดพลังน้ำน้ำนันก็หมดเพราะฉะนั้นวิธีเหล่านี้ท่านทั้งหลายจะเห็นว่าเป็นเหตุผลที่เราใช้ในแนวจิตวิทยาเช่นว่าทหารเดินทางไกล แต่เกิดกระหายน้ำไม่มีน้ำไอ้ผู้ บ, บังคับบัญชาก็เล่าเรื่องส้มอะไรอะไรไปด้วยส้มมะขามส้มนอนก็พูดพูดในน้ำลายมันไหลพอไดก้กลัวกลัวกลัวกคอไปเนี่ยเปนเป็นปมะเทศพ้นพษษตั้งจิตใจเฉยแล้วก็เราก็มาหลงเขาคือหลงขนาดว่าแต่ยอมอะไรเอาภาษีอ่านสีเอิเข้ามาใส่เนี่ยที่จริงตามตามหลักเดิมจริงจริงไม่มีภาษีอ่านเรา แต่ว่าเราต้องการเหตุผลใงกิติวิทยาเพราะคนไทยเราตื่นประสีอ่านมากนะทั้งๆที่ผาษีอา่านเนี่ยเราก็ตื่นประสีอา่านแล้วเขาก็สวมเข้ามาตรงนี้เพราะงั้นได้จังหวะมากโยเรจึงเจริญเติบโตได้เร็วอย่างไม่น่าเชื่อเพราะเหตุผลอย่างหนึ่งคือเม็ดอนเจแปแล้วก็เราก็เชื่อญี่ปุ่นอะไรญี่ปุ่นทําแล้วก็ดีหมดเพราะงั้นญี่ปุ่นมันจะกลืนทั้งความคิดทั้งเศรษฐกิจของเราต่อไปถ้าเราคืนอยู่ในสภาพนี้นะแล้ว ถ, ถูกครอบด้วยโยเรถูกครอบด้วยเศรษฐกิจแล้วก็เสร็จ นี่คือปัญหาที่น่าคิดว่ามันก็เหมือนกับพวกนั่นแหละพวกเพื่อนของท่านอนาฏบินิกะเศรษฐีนั่นแหละเพื่อนกับอนาฏบินิกะเศรษฐีก็คือคือคือกันคือไม่ไม่มีความมั่นใจจริงๆถ้าเรามั่นใจจริงๆแล้วนี่มันไม่มีความจำเป็นอะไรเพราะสิ่งที่คนอื่นสอนไม่ว่าใครสอนก็ตามนะฮะในพระพุทธศาสนามีแล้วทั้งนั้นเลยมีแล้วทั้งนั้นแล้วก็มีสูงกว่าด้วย อย่างเนี้อยอย่างสมมุติวายโยเรยนิสอนแค่สวรรค์นนะ่ะของขอเราสอนถึงนิผ่านนะวิธีการของเราหลากหลายมากกว่าเนี่ยได้ไปสอนพลังอย่างนี้เคยเห็นกันจริงเ่าบอกพลังมีจริงเปล่าพลังนี้มันก็พลังทิพอะไรนะเหมือนกับราชานุ่มพาดทิพอะเหมือนกับภาพแอสแทกเหมือนอะไรนี่คือต้องการได้สถานะในเพื่อนนั่งสอนพลังออกเราต้องพลังออกด้วยพลังออกด้วยนี้ก็อิทธิพลนห น, นังสือหนังจีนกำลังภายในมันก็มีส่วนสนับสนุนมากเหมือนกันไอ้พลังทิพเนี่ย นี่คืออะไรคือเป็นอุบายวิธีของเขาที่จะเอาประโยชน์จากเราแต่ถ้าเราเข้าใจพระพุทธศาสนาของเราจริงๆเราจะไม่มีปัญหาใดวันพระพุทธศาสนานั้นกลัวศาสนาิสไม่ฉลาดตอนนี้กลัวไม่ฉลาดทอนนั้นเองขอให้ฉลาดเท่าไร่เท่ากันน่ยแต่ที่กลัวมากที่สุดคือกลัวศาสนิสเราไม่ฉลาดมันแยกไม่ได้อย่างที่พระพุทธเจ้าบอกบอกเนี่ยคนไม่รู้อะไรเป็นเหตุเป็นอะไรก็จับหมดเลยเอาหมดเลย ฐานะพวกแรกนะพวกแรกที่ว่าไม่รู้อะไรมันเป็นเลยเลยเอาหมดเลยเขาว่ า, าในศิลปศาสตร์ก็เอาหมอดูก็เอานะเหมือนกันด้านไหนคบางทีทั้งกินหมากทั้งนัดยาทั้งสูบบุหรี่ว่าพร้อมเลยไม่รู้จะเอาอะไรก็เอาหมดเลยนี่คือไม่ไม่สามารถจําแนกแยกแยะได้ว่าอะไรเป็นอะไรแต่ถ้าเราแยกได้เราไม่ต้องเสียเวลามากมายอะไรขนาดนั้นเพราะสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงยันลือมว่าตรัสรูนั้นคือสัพพันยูรู้ทุกอย่างแล้ว แล้วก็สอนไว้เป็นอันมากนะไม่ใช่สอนทุกอย่างนะสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงรู้นั้นมีบ้างและเกินแต่ว่าสอนมีเหตุที่ผู้ฟังอาจตรองตามเห็นจริงได้แล้วก็เป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่ผู้ฟังไว้ทั้งหมดแล้วแต่จุดอ่อนที่สุดก็คืออ่อนอ่อนไหวที่ศรัทธาเนี่ยเราไม่เคยมั่นคงเท่าไหร่ในพระรัตนาใจาบางทีเป็นพระไปนั่งไหว้ผีอยู่เลยคื อ, ค, อคือแสดงไ้เห็นว่าศรัทธาในพระรัชนาใจานี้ไม่มั่นคง แต่เรามันคงเสียได้แล้วเนี่ยมันเดินได้ตลาดนะถ้าไม่เดิน ม, มันก็แกว่งไปแกว่งมาอย่างนี้แกว่งไปแกว่งมาอย่างนี้อย่างวันก่อนเนี่ยมาไปที่ราชบุรีปรากฏว่าโยมคนหนึ่งเป็นอุบาสกวัดดีๆเนี่ยเกิดเป็นหลงลิ้นอะไรคิดเข้าไม่รู้ไปนับถือคิสก่อนจะตายแล้วเดี๋ยข้าฝันพวกพวกไปรองผิดไปแล้วไปแต่บอกพวกพวกไปข้าวฝันบอรองผิดไปแล้วคิดผิดไปแล้วเป็นนนนอออุบาาาาสกมตตตัันนนะั้งะแ่ไรคืวศธ ตัวศรัทธามันมีลักษณะไม่มั่นคงอยู่ตลอดพระพุทธเจ้าทรงแสดงในทีหลังนั้นก็ยืนยันนะฮะว่ายืนยันถึงพระรัตนใจคือสรุปว่าถึงพระรัตนใจแต่ปัญหาที่เราจะต้องทําความเข้าใจก็คือว่าถึงได้อย่างไงไม่ใช่ว่าพุทธังสนังกรสามิแล้วก็ชื่อว่าถึงแล้วมันต้องถึงทั้งด้วยกายทั้งด้วยวาจาและที่สําคัญก็คือใจลักษณะอาการถึงนั้นนั้นก็เหมือนกับอะไรคือถึงห้องนี้ ยกตัวอย่างเราใช้ก็มาถึงห้องนี้คือท่านก็ต้องเข้ามาอยู่ในห้องนี้แล้วจึงเรียกว่าถึงได้การถึงพระพุทธพระธรรมประสงค์ก็มีลักษณะเช่นเดียวกันคือเราจะต้องปฏิบัติตนเข้าไปในคุณของพระพุทธเจ้าเข้าไปในคุณของพระเจ้าแล้วหมายความคุณของพระเจ้ามีอะไรโดยหลักก็คือปัญญากรุณาบริสุทธิ์เราจะต้องมีปัญญามีกรุณามีบริสุทธิ์อย่างน้อยก็ระดับใดระดับหนึ่งพระธรรมก็มีอะไรมีลักษณะที่แสดงไว้ดีแล้ว มีลักษณะที่ขัดเกลากิจใจขัดเกลากิเลสมีลักษณะที่ดึงคนออกจากความทุกข์ออกจากอำนาจของกิเลสมีลักษณะสงบแล้วก็เข้าถึงคุณเหล่านั้นระ ด, ดับระดับหนึ่งพระสงค์ก็คืออะไรปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติเป็นธรรมปฏิบัติตสมควร ก, ก็เราก็เข้าถึงประสงค์ด้วยการปฏิบัติดีปฏิบัติเป็นธรรมปฏิบัติตสมควรไม่ได้หมายความว่าไปถึงพระสงฆ์ ในลักษณะบุคคลคือถึงในลักษณะธรรมเพราะถ้าในลักษณะบุคคลจะเกิดความสับสนวันก่อนได้มาไปในที่หนึ่งสะดุ้งเลยก็อบรมขาไปให้อบรมกรรมาฐานนะมีคําขอกกรรมาฐานขอมอบ ก, กายถวายชีวิตแด่อาจารย์สะดุ้งเลยม่ทำไมมามอบกายถวายชีวิตพระอาจารย์มอบพระพุทธเจ้านะจะมอบทําไมมามอบ ก, กับพระอาจารย์แต่ก็ไม่กล้าทักอารมณ์คนมากๆนสะดุ้งไม่เคยได้ยินนะฮะสัมนวนอ่าเนี้ย แสดงว่าไม่รู้อาจารย์อะไรเพี้ยนๆไปแต่งให้โยมบ้าภาษาบาลีถ้าจะถวายก็ต้องถวายแด่พ ร, รนะัตนะใจนะพระรัตนะใจเราจะพบว่าพอเอาข้าจริงแล้วมันก็เป็นธรรมะเป็นธรรมะเป็นความกรุณาเป็นปนัญญาเป็นความกรุณาเป็นบริสุทธิ์ก็แล้วกันแหละคือต่อไปมันเดินได้เองพระธรรมคุณพระสังฆคุณเราก็เดินได้เองเออต่อมาก็ส่งแสดงลักษณะของ คนของสิ่งมีชีวิตตัวสูตรพระคาถานี้รับสั่งหลายแห่งนะเพราะว่ามันก็เป็นการสะท้อนพฤติกรรมของสัตว์โลกทั้งหลายไม่ว่ายุคใดสมยดัยใดมันก็เป็นอย่างนั้นน่คือชนเป็นนั้นมากเวลาประสบบรณภัยคืออะไรใกล้ก็จับไปก่อนอะไรใกล้ก็จับไปก่อนเพราะงั้นอาจจะถึงภูเขาต้นไม้จอมปลวกเทวดาปีสาเทวดาอะไร ผีสางเทวดาก็ว่ากันไปเรื่อยๆเป็นสาานะที่พึ่งที่ระลึกแต่ประเด็นตรงนี้ให้ท่านทั้งหลายฟังให้ดีนะครับพระพุทธดํารัสของพระพุทธเจ้าไม่วิปริตพระพุทธเจ้ารับสั่งว่านั่นไม่ใช่เป็นที่พึ่งอันกเกษมไม่ใช่เป็นที่พึ่งอันสูงสุดพูดถึงสิ่งเหล่านี้เป็นที่พึ่งไม่สามารถหลุดพ้นจากทุกทั้งปวงได้นะฮะไม่ได้ปฏิเสธทุกสถานะไม่ได้ปฏิเสธทุกสถานะเพราะไอ้จอมปลวกบางทีหมาไล่เราก็วิ่งขึ้นจอบปลวกหมามันกัดไม่ได้ ก็พิ่งได้เหมือนกันนะฮะต้นไม้เราหลงทางเราขึ้นต้นไม้ดูทางได้หนีอันตรายได้แต่ว่าไม่ใช่สูงสุดเหมือนยังมีที่พึ่งอื่นที่สูงสุดมีที่พึ่งอื่นที่กเกษมมีที่พึ่งอื่นที่สามารถหลุดพ้นจากทุกทั้งปวงได้ตรงนี้ที่ชาวพุทธเราสับสนมากเลยบางทีก็ไปด่ากลาดคนที่นับถืออะไรมีพระพงพระภูมิอะไรอะไรเนี่ยผู้ศาสนาไม่เคยปฏิเสธพระภูมิหรอกพูดเราเรื่อยๆไปไงั้นเองเราไม่เคยปฏิเสธ เพราะว่าเรื่องเหล่านี้มันอยู่ที่มีหรือไม่มีถ้ามีพระพุทธเจ้าก็แสดงว่ามีแต่ไม่ได้หมายความามาเราจะไปต้องยอมสยบต่ออำนาจเหล่านั้นก็เป็นยอมรับในสภาพของปิดผลของธรรมชาติประการหนึ่งที่มีอยู่เป็นอยู่โดยธรรมชาติพวกนี้มีอยู่ก่อนพระพุทธเจ้าศัสรุลพระพทเจ้าจะเป็นปฏิเสธเขาได้ไงแต่ก็แสดงตามความมีของสิ่งเหล่านั้นแสดงเหตุเกิดของสิ่งเหล่านั้นแสดงความดับของสิ่งเหล่านั้น เพราะมันเป็นปิดผลเป็นปรากฏการณ์ตามธรรมชาติที่เกิดขึ้นโดยกฎของธรรมชาติแต่ว่าปฏิเสธในแง่สถานะว่าไม่ใช่การเสมไม่ใช่สูงสุดไม่ใช่หลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้นะปฏิเสธสามสถานะให้จับไม่เคยพบที่ไหนเลยที่พระพุทธเจ้าปฏิเสธเรื่องเนี้ยแต่ที่เราก็มาแต่วุน่นวายกันเนี่ย ก, ก็มีเยอะนะครับพวกอัตตากถามากบางทีเช่นว่าทําบุญแล้วห้ามอธิษฐานอันนี้อามาไม่เคยได้ยินเลยถ้าปัจเจกบิดกแล้วไม่มีเขา อ, อธิษฐานางนั้นน่ย นี่ก็นักว่าทั้งหลายก็อธิษฐานห้ามอธิษฐานก็อธิษฐานนั่นนั้นพระโพธิสัตว์ทําอะไรอธิษฐานบางทีดูเรื่องพระเวทสันดรกันหน่อยอธิษฐานมุ่งพระโพธิญาณนั่นนั้นน่ยถ้าไม่ไ่อธิษฐานจะเสียหายอะไรล่ะเพราะว่าอย่าลืมมาทำมะเนี่ยมันมันระดับโลกุตระมันมีอยู่นิดเดียวเั่นเด่นแต่กว่าจะถึงโลกุตระนั้นจะต้องอาศัยอธิษฐานนั่นนั้นอธิษฐานคือความตั้งใจมั่นคงที่จะมุ่งมั่นให้เกิดผลเช่นนั้นให้ได้มันก็มันมันเป็นบารมีอย่างหนึ่งอธิฐาน ไม่ใช่เรื่องเสียหายอะไรก็มีแต่เรื่องดีตันนี้เราก็กกพูดพูดกันเองแต่เราดูที่มามาจากไหนก็ไม่มีที่มาเมื่อไม่มีที่มาก็แต่ว่าในศาสนาสแสดงที่มาเนี่ยเรื่องอธิฐานเราก็ต้องยอมรับว่าการอาธิฐานนั้นมีผลในด้านเป็นบารมีอย่างหนึ่งในด้านก่อให้เกิดผลตามเจตจำนงของเราแต่หมายความว่าเราประกอบเหตุเพื่อเกิดผลเช่นนั้น แล้วต่อมาทรงสแสดงแต่อย่าลืมว่าลักษณะของการสแสดงเนี่ยของพระพุทธเจ้าที่เราสวดว่าสมบูรณ์ด้วยอัฏฐะและพญานาญะเนี่ยไม่ว่าประเทศตรงไหนเลยบุคคลใดถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์ว่าเป็นที่พึ่งเชียลึกเท่านั้นไม่พอนะเพราะว่าอะไรผลมาอยู่ที่สาะนะอันกเกษมสูงสุดหลุดพ้นจากทุกต้องปวงได้ยังทรงสแสดงว่าต้องปฏิบัติจนเห็นอริยสัจทั้งสี่ ปฏิบัติเห็นอนุญาศาสตร์จังสคือทุกสมุทัยนิโรธมากเนี่ยถ้าทําได้อย่างนี้และนั่นคือการได้ที่พึ่งอันกเกษมคือการได้ที่พึ่งอันสูงสุดแล้วสามารถจะหลุดพ้นจากทุกทั้งปวงได้อย่าลืมมาใช้คําว่าทั้งปวงนะฮะทุกทุกทั้งปวงคือไม่มีทุกอีกแล้วแต่ว่าทุกบางระดับไม่ได้ปฏิเสธเพราะงั้นโลกทั้งโลกจึงอยู่ได้โดยไม่มีไม่นับถือศาสนาก็ดูไม่นับถือพระพุทธศาสนาก็อยู่แย่โลก แต่ว่าถ้าต้องการให้กเกษมสูงสุดดุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้แล้วต้องถึงพระรดาตนะทายจนเห็นนริยสัจสี่ไม่ได้ปฏิเสธคนอื่นนะฮะไม่ได้ปฏิเสธคนอื่นทุกลักษณะทุกฐานะแต่ปฏิเสธในฐานะเดียวเท่านั้นเองฐานะเป็นที่พึ่งอันกเกษมสูงสุดดุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวงเพราะงั้นพระพุทธศาสนาจึงแสดงความจริงเท่าที่เป็นจริงเหตุอย่างหนึ่งก่อให้เกิดผลอย่างหนึ่งได้ไม่จะเป็นเรื่องเสียหายอะไร เพราะว่าศาสนามันก็เกิดขึ้นมาทีหลังคนเป็นนั้นมากที่ไม่มีศาสนาเขาก็อยู่ได้แต่จะไม่ได้สารณะอันเกษตรไมจะจะไม่ได้สาระอันสูงสุดจะไม่สามารถหลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้เท่านั้นเองนะฮะเท่านั้นเองเอทีนี้จากจุดเหล่านี้ท่านจะเห็นได้ว่าพวกสาวกคือลูกศิษย์อัญญาเดถีอัญญาเดถีควรจะทําความเข้าใจคำนี้จะหน่อยนะฮะเพราะเราเอามาพูดกันมากในภาษาไทยเนี่ย อัญญเดรัตีเดรัติเนี่ยแปลว่าผู้สร้างท่าหรือผู้กระทําท่ามีลักษณะเป็นการพูดโดยอุปมาว่าคนเราเนี่ยมันก็เหมือนกับแวกไหวยอยู่ในกระแสมหาสมุทรทำยังไงจึงจะขึ้นฝั่งได้เพราะ ง, งั้นพระนิพพานบางทีก็เรียกว่าฝั่งคือคนเราก็อยู่ในทะเลของทุกข์เนี่ยแล้วพยายามที่จะขึ้นฝั่งแต่ว่าพวกอัญญเดรัตินั้นก็สร้างท่าเป็นที่ขึ้นฝั่งเหมือนกันแต่ว่าท่าอื่น คือแทนที่จะไปนิพพานมันไปอื่นหายไปเลยเกาเรียกว่าอัญญะเดิลทีคือกระทําท่าแต่ไม่จะท่าเกินิพพานเป็นท่าอื่นซึ่งอาจจะเป็นสวรรค์ก็ได้อาจจะเป็นความสุขในชั้นหนึ่งก็ได้แต่ไม่จะท่าคือนนิพพานเราเรียกว่าอัญญะเดรัถีต่อมาเราก็กร่อนคํานะฮะเราเรียกเขาเดรัถีพอเดรัถีนั้นยกย่องเขานะฮะไม่จะด่านะเดิลถีนั้นเป็นาศาสดาน ะ, ะเป็นติดถังกรคือผู้กระทําซึ่งท่าดีหรือไม่ดียังไม่รู้ ก็ไม่ได้บ่งพระพุทธเจ้าบางครั้งก็เรียกว่าติดถังกอนเหมือนกันคือถ้าเขียนเป็นสนรพกริตก็คือดีรตถีดีรตถีจึงไม่ใช่คำหยาบนะต้องใส่อัญญะเข้ามาจึงจะเป็นเป็นคำหยาบไดแ้แต่ว่าเนี่ยเราเราก็กรอนคำโดยไม่รู้ความหมายว่าใครถูกดาว่าดีรตถีแล้วก็โกรธนะที่จริงไม่ไ ม, ไม่ได้คำหยาบอะไรนะฮะยกย่องเลยนะเป็นตาแหน่งาศาสดราทีเดียวท่านเหล่านั้น ก็สับสนกันอยู่เป็นเวลานานนะสับสนกันอยู่เป so <c oughs> <So> ็นเวลานานเพราะอะไรเพราะไม่มั่นคงสักอย่างนึ่งมั่นคงสักอย่างนึ่งเอามาเคยพบหลวงพ่ออุ่นหนึ่งนานมาแล้วนะะท่านเอาทุกอย่างเลยหลวงพ่อเนี่ยบลกหลวงพ่อทําไมมากมายงั้นอ่ะคือไอไอเวทมนต์คาถาก็เอาพระเครื่องก็เอาดูดวงก็เอาท่านเสกน้ํามนต์ก็เอาเทศหมาชาติก็เอาเทศธรรมดาก็ปบอกหลวงพ่อเอาเยอะเลยเกินเปลือยเหนียวท่านบอกเปลือยเหนียว เพื่อนหนีน่ัมันแสดงว่าไม่เชื่อคุณพระรัตนใจค่ถ้าเราเชื่อเลยเราไม่ไมจําเป็นจะต้องพะรุงพะรังอย่างนั้นเสียเวลาครับเออยังไงก็ตามคือใครจะสอนก็ตามมันก็อยู่ที่เราปฏิบัติเท่านั้นเพราะถ้าเราไม่ปฏิบัติผลมันก็ไม่เกิดขึ้นเรื่องความดีก็ไม่ใช่ว่าใครจะจับให้ได้แต่ว่าเราก็น้อมนํามาประพฤติปฏิบัติก็เกิดผลได้พระพุทธเจ้าก็ทําได้แค่นั้นเน่ย แค่สอนแค่ชี้แจงเหตุผลให้ผู้ฟังได้รู้เท่านั้นเองแต่ทีนี้จากนิทานก็เป็นวิธีแสดงธรรมะของพระพุทธเจ้าประการหนึ่งนะว่าในกรณีของชาดกนั้นจะทิ้งเรื่องเอาไว้แล้วจะหยุดหยุดเฉพาะเหตุปัจจุบัน น, นั้นจะพูดปรารถนาถึงเหตุปัจจุบันแล้วจะหยุด่คนจะต้องอาราธนาึ มันมีลักษณะทางจิตวิทยา ก, กระตุ้นนะฮะมันเกิดความกระตือรือรน้นอยากฟังอยากรู้เอ๊ะมันเป็นยังไงในะเรื่องราวเป็นยังไงไอชันทะคืออิทธิบาตมันก็เดินได้อีกคืออาจจะฟังฟังนานๆไชันทะต่างๆอาจจะย้อน ล, ลงไปแล้วพระเจ้าก็พูดในะทํานองโน้ม น, น้าวเพื่อให้คนสนใจกันหน่อยทีหนะึงคนที่ฟังเขาก็จะกราบทูลถามแล้วก็ทรงแสดงอย่างที่บอกมาในวันอังคารที่แล้วนะว่าท่านทั้งหลายอย่าติดใจนะฮะถ้ามาเจอชาดกจะติดใจเรื่องพระเจ้าพรหมทัตกันแล้วกัน พระพรหมทัตเป็นตำแหน่งอย่างที่บอกคือมันมีมาตั้งก่อนพุทธกาลสมัยพุทธกาลและแม้ในปัจจุบันเนี่ยมหาราชาในสาวัตถีก็ยังชื่อว่าพรหมทัตยอยู่เป็นเรื่องที่แปลกมากเลยสูตรนี้ก็ไม่รู้จะว่ายัางไงนะฮะท้าเมืองพาราสีพระราชาชื่อพรหมทัตทุกทีเลยในเรื่องนี้ก็เหมือนกันเป็นพระเจ้าพรหมทัตในการมองปัญหาเรามองดูว่าคนระดับพระโพธิสัตว์ค็ระดับพระโพธิสัตว์ท่านจะ พลิกสถานการณ์คือในในขณะที่คนอื่นก็มองไม่เห็นแต่ท่านจะหาประโยชน์จากเรื่องเหล่านั้นได้อย่างในกรณีของการเลือกเดินทางคือท่านเองนั้นจะให้ไปก่อนก็ได้จะให้ไปหลังก็ได้ท่านท่านไม่ได้ว่าอะไรแต่ว่าคนที่อาสาไปก่อนนั้นก็มองเห็นประโยชน์อีกแนวหนึ่งคือท่านมองของท่านแต่พระโพธิสัตว์ท่านกลับพลิกสถานการณ์คือไอสิ่งที่เขามองไม่เห็นนั้นท่านก็มองขึ้นมาใช้ประโยชน์ได้ นี่ก็คือความฉลาดในการมองสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเราตามหลักของอะไรหลักของโยนิโสมานัสิการนั่นเองจพะพบว่าวิธีการของของคนระดับพระโพธิสัตว์ไม่ว่าเรื่องที่ล่ามาในวันก่อนในเรื่องอะไรก็ตามท่านจะพยายามหาประโยชน์จากสิ่งที่ที่ท่านเข้าไปเกี่ยวข้องให้ได้มากที่สุดในกรณีที่คนอื่นเขามองเห็นว่าเออไปก่อนมันก็ดีนะเพราะว่าไอ บบบบใบไม้ใบหญ้าอะไรต่อะไร ต, ราต่างๆยังไม่ถูกใครทําลายถาหนหนหนทางก็ไม่แตกลายแหงไปส บ, ส, บสบายสบายสามารถตั้งราคาสินค้าเองได้ตามความพอใจเป็นต้นเนี่ยรู้สึกก็สบายดีเหมือนกันก็มองอีกแนวหนึ่งแต่พระโพธิสัต์ท่านกลับมองเห็นเหมือนกันว่าท่านไปทีหลังก็ดีเหมือนกันมองให้เห็นว่าดีเหมือนกันเพราะอะไรเพราะว่าในทางใหม่ๆเนี่ยบางทีมันก็มีตะปุ่มตะป่ํามีเป็นก้อนหินมีเป็น อกองดินอยู่เนี่ยพวกกองเกวียนถั้งห้าร้อยไปเนี่ยมันก็ต้องปรับตรงนั้นให้กองเกวียนมันเดินได้ทางก็ไปแล้วก็สบายที่ลันทีนี้พวกนี้มองว่าไใบหญ้าใบาไม้นั้นใครไม่กินเขาไ ด, ได้ใช้สอยเต็มที่แต่พระบุติศาสตร์ท่านมองอีกแนวหนึ่งว่าก็ดีเหมือนกันคือเขาเขาไปก่อนเนี่ยใบหญ้าใบาไม้ที่เขาเก็บเอาไปเป็นอาหารคนหรืออาหารสัตว์ก็ตามสห้าวันมันแตกยอดใหม่ เันคนของท่านและกะษัตริย์ของท่านก็ได้กินหญ้าอ่อนไปไม้อ่อนๆออนออนยอดอ่อนๆมันในกรณีของสมมติว่าไอ้น้ำผ้ามันเกิดขาดคนเหล่านั้นก็ต้องขุดปอไว้แล้วท่านก็นไปถึงก็ตักได้เลยโดยไม่ต้องขุดเสียเวลาในราคาการณีของสินค้าพวกนี้ไปตั้งราคาไปแล้วท่านก็นไปถึงก็ขายตามขาวเพราะมันมีการเปรียบเทียบแล้วใครไม่ได้รู้สึกว่าแพงเพราะไอ้รายก่อนมันก็ขายอย่างนั้นรายนี้ก็ขายอย่างนี้ ทีนี้การสังเกตการสังเกตคนเราจะพบว่าวิธีการของพระโพธิสัตว์จะมีลักษณะที่ไม่ผีแผามคือมีความสุขขมไม่ได้ตัดสินปัญหาเฉพาะที่เห็นแต่จะมองทะลุไปถึงเหตุปัจจัยที่ที่เกี่ยวพันกับเรื่องเหล่านั้นอย่างในกรณีของคนนะฮะพอเห็นปั๊บในทางก็ น, นึกว่ก่อนเอ๊ทางนี้ทางเปรี่ยวทำไมมึคนมาเดิไนได้ แล้วแต่ว่าพื้นฐานอย่าลืมมาพื้นฐานที่ท่านรู้มาแล้วว่าทางนี้กันดานด้วยน้ำกับกันดานด้วยอนมนุษย์อันตรายจากน้ำกับอันตรายจากอนมนุษย์นี่มีมากก็มีการระมัดระวังแล้วมีการสังเกตและลักษณะสังเกตนี้อะไรนะที่มรณคดีของไทยของไตรานาะมีเพ่งพินิษฐ์พิสดรู้ว่ายักดเวลจากสุหายทั้งซ้ายขวาอะไรลื ม, มล ก็แสดงว่าหลักการสังเกตแนวเนี้ยเราก็ได้มาจากวรรณคดีวรรณคดีทางพระพุทธศาสนาแนวที่ท่านสังเกตนั้นคือท่าทางองค์อาจกระหันมันไม่จะมีลักษณะของชาวป่าแล้วก็ตาไม่กะพริบนะตาไม่กระพริบนี้ก็เป็นความรู้ใหม่อย่างนะฮะว่ายักษ์ในตาไมกะพริบและยืนกลางแดดไม่มีเงาไม่มีเงาส่วนในวรรณคด คดีไทยนั้นบอกว่าแววจักสุห ải แววพังพินิพิสดูรู้ว่ายักษ์ได้แววจักสุหายงายทั้งซ้ายขวาเนี่มันที่ไหนนะมนันใคดีไทยเนี่ยสรุปว่าก็ได้หลักในการสังเกตทีนี้การสังเกตคนอยางพระพุทธศาสนาทรงสอนว่าเช่นคนเราว่าจะเป็นมิตรศัตรูเนี่ยเราก็ดูได้ว่าเช่นอะไรเช่นว่าเวลามองไม่ยอมสบตา คนที่เป็นศัตรูนะ่ะมองไม่ยอมสบตาและกิริยาท่าทางนั้นจะไม่คือไม่สนิทมีลักษณะไม่ค่อยสนิทแนบเนียก็ให้ตั้งใจให้ระมาระวังไว้ว่าคนเหล่านี้มีพิรุษคือลักษณะของการมีพิรุธทีนี้วิธีการอย่างหนึ่งที่น่าศึากษาคือการสังเกตฝนนะเราแสดงว่าโบราณเขาก็ไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือแต่ก็มีวิธีการสังเกตอะไรเขาหลายอย่าง ว่าก่อนฝนจะตกนั้นจะมีลมฝนพัดมาซึ่งสามารถสัมผัสได้ระยะสามโยศ3โยนสัมผัสได้แล้วก็เมฆจะสัมผัสได้ใน1โยศถึง2อโยศคือเสียงเมฆเอ้ยไม่ใช่ไอไอไอไอเสียงฟ้าร้องนะฮะเสียงฟ้าร้องกับเสียงฟ้าและฟ้าฟ้าร้ารองจะได้ยินประมาณ3าโยแล้วก็ฟา้าแลบ ประมาณ2ถึงเอ่นอนโยธคือจะเห็นอย่างนั้นแล้วก็รายความสิง่งสิ่งเหล่านี้ก็ก็เป็นมาสในการตัดสินตัดสินปัญหาต่างๆแต่เราจะพบว่าคนในกลุ่มเนี่ยเมื่อได้ฟังเรื่องราวอย่างเดียวกันมันก็จะทอนพฤติกรรมให้เห็น ว่าสิ่งบางอย่างที่มีการพูดการแสดงกันนั้นมีคนกลุ่มหนึ่งนั้นเห็นตามแต่คนกลุ่มหนึ่งก็ไม่เห็นตามซึ่งก็มีทั้งสองด้านนะฮะอย่างในกรณีมัน ก, มนก็มันก็อยู่ที่อะไรเป็นอยู่ที่เชือ้ออย่างทด่ว่าเนี่ยาธาตุธาตุภายในภายในใจของคนว่ามันมีความโน้มน้อมไปขนาดไหนยกตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนว่าในสมัยพุทธกาลเองก็มีคนเยอะที่ไม่เชื่อพระกุศลเจา้าที่ไม่เชื่อพระกุศลเจ้าเพราะอะไรเพราะาธาตุไม่มีาธาตุนั้นตำ่ำ ธาตธาตุโดยเฉพาะเนคขมาธาตุก็ดีหรือว่าปัญญาก็ดีเนี่ยมันต่ําไปก็วิเคราะห์มไม่ได้ก็แยกไม่ได้แต่ว่ามีก็มีคนมป็นจำนวนมากที่ธาตุในด้านดีแก่สูงใครก็เชื่อทีนี้สมมติว่าไอ้ธาตุด้านไม่ดีแก่มีมากแต่ที่จะแก่เชื่อพุอ ท, ทธเจ้าแก่เชื่อประเทวทัตอ่ะชเชื่อประเัติทัตมีพระพุทธเจ้าปฏิวัตทัศนแกเฮโลจะพาไปอยู่กับปฏิวัตทัตก็แสดงอะไรแสดงว่าไอ้เชื่อไม่ดีเนี่ยมันมีส่วนอยู่มาก ที่จะทำให้รับแล้วก็ตัดสินเรื่องราวต่างๆที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องออสมมติว่าเรื่องไม่ดีคนที่มีเชื้อความดีนั้นจะปฏิเสธแต่คนที่มีเชื้อความดีต่ำก็อาจจะยอมรับยอมรับในทิงเหล่านั้นเพราะฉะนั้นไอ้จากการในโฆษณาประชาสัมพันธ์การแสดงลีลาท่าทางของคนเหล่านี้พระโพธิสัตว์เองท่านวินิจฉัยได้คือถ้าหากว่าไม่เห็น สมมติว่าจะให้เทน้ํามันก็ต้องมั่นใจว่ามีน้ําสีย ก, ก่อนจะทําลายสิ่งที่เรามีอยู่โดยไม่รู้ว่าไอสิ่งที่เราต้องการมันอยู่ตรงไหนเนี่ยเขาจะไม่ทำก็ทำนองอะไรฮะพี่เขาสอนในเรื่องอสิบเบี้ยใกล้มืออะไรนะหา้าบททิ้งทิ้งสิบเบี้ยใกล้มือเพื่อไปเอาสิบเบี้ยใกล้มือเอ๊ะไม่ใช่ทิ้งสิบเบี้ยใกล้มือเพื่อเอาสิบเบี้ยที่ไกลมืออะไรเนี่ยหรือยี่สิบเบี้ยที่ไกลมือมันมีจริงหรือไม่มีจริงก็ไม่รู้ก็อย่างอะไรล่ะ ท, ที่สุนักเดินข้ามสะพานในนิทานอิสพบมันก็แนว เ, เดียวกันอะคาบชิ้นเนื้อไปคือคือไปมุ่งหวังไอ้นั้นที่จริงมันเห็นได้ซ้ำไปนะแต่มันไม่รู้ว่าเป็นเงาเท่านั้นเองพระโพธิสัตว์นั้นท่านบอกว่าท่านไม่เห็นอะไรแล้วท่านจะไม่ทิ้งสิ่งที่ท่านมีอยู่นี่ก็คือหลักในการวิเคราะห์ตัดสินปัญหาอย่างหนึ่งของพระคนระดับพระโพธิสัตว์แต่ว่าท่านทั้งหลายลองสังเกตว่าบริวารนะไปเยอะเลยไปเยอะเลย จะเอาจะเททิ้งให้ได้จะสบายคือหลงเชื่อดังนั้นในกิจกรรมเหล่านี้นมาย่างยังนึกเมื่อวานเนี่ก็สอนพระก็สอนจึงคําสอนของท่านท่านสันชยัยอ่ะท่านสันชยัยในท่านเรียกว่าอมราวิเขปิกาคือเลื่นไหลเหมือนกับปลาไหลคือเลื่อนเหมือนเหมือนกับปลาไหลแก ต, ตอบแปลกนะตอบจังหวามไม่รู้เรื่องเลยแล้วก็มีคนลูกศิษย์แย่เหมืนกันนะแกถามว่าถ้าท่านถามว่าโลกหน้ามี ม, มีหรือไม่มีนะ ถ้ามีเอข้าเจ้าจะจะจะตอบว่ามีก็ไม่ใช่ไม่มีก็ไม่ใช่ไม่ใช่ก็ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ก็ไม่ใช่ไม่ใช่ดูแกตอบอ่ะฟังรูปอ่ะแต่มีคนนับถือเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ก็ไม่ใช่ไม่ใช่แกตอบออกมาได้แล้วก็มีคนนับถือได้พระเจ้าชาติจูตอนตอนไปไปพบพวกเราเนี้ยมากราบถูนหลวพุทธเจ้าบอกว่าไอ้ครูทั้งหกนี่สันชัยมันโง่ที่สุดเลยพูดไปรู้เรื่องไหยแต่ก็มีคนนับถือนั้นดูเถอะ มีคนนับถือเป็นคณาจารย์อยู่จนทฒ่าจนแก่จนตายไปแล้วก็ต่อมาก็มีลูกหลานมีลูกศิษย์ลูกหาตามเพราะว่โลกก็คือโลกนะครับถ้ามองโลกแล้วเราจะเห็นแนวโลกแล้วบางทีมันก็น่าขำดีกันแต่มองอีกมุมหนึ่งก็น่าสงสารว่าทําไมเขาไปเชื่อได้เรื่องอย่างเงี้ยแต่ก็มีคนเชื่อทั้งหมดแปลกจริงๆเลยสมเด็จพระสังฆราชเจ้าท่านเคยรับสัง่งคือว่ามักเวามาคนมันก็อยู่ได้ถึงขนาดทำอะไรบ้าๆ บ, าบมๆอะไรแต่ไร อย่างสมัยพุทธกาลเนี่ยแม้แต่คนกินอุจาระมันยังอยู่ได้มีลูกศิษย์ลูกหาห้อมล้อมกันเต็มตั้งสแสดงตะบะเดชะไม่ยอมกินอาหารคนก็เอาอาหารไปให้กินต้องการบุญเฮ้ยมันก็แปลกเพราะงั้นเรื่องราวที่ยักพูดพระโพธิสัตว์วิเคราะห์ได้ชัดเจนลูกน้องไหวตามมันก็มีลักษณะอย่างหนึ่งของผู้นำน ะ, ะปัญหาที่ที่น่าคิดว่า คนระดับพูดนาเนี่ยปัตว่าทำยังไงถึงจะพูดกับคนของเราให้เข้าใจพระโพธิสัตว์ท่านมีวิธีที่นิ่มนวล น, นะฮะท่านทั้งหลายจะเห็นว่าคือแทนที่จะตัดสินด้วยลำพังตัวเองก็เรียกประชุมเลยส่งเสริมให้คิดตั้งปัญหาให้ทุกคนคิดให้คิดเอาเองตั้งการปัดปัญหาให้ตอบในข้อต่างๆซึ่งเมื่อคนเหล่านั้นหยุดคิดมันก็คิดได้ในงานเหล่านี้แม้ใน เวลาท่านเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็เหมือนกันนะพระพุทธเจ้าจะมีอะไรก็ตามจะประชุมจะประชุมแล้วก็ชี้แจงให้เกิดความเข้าใจบางเรื่องที่ท่านพอตอบได้ทั้งจะรับสั่งถามถามถามถามให้ตอบเอาเมื่อคนเราเข้าใจแล้วมันก็พูดกันรู้เรื่องแต่ถ้าไม่เข้าใจก็จะมีปัญหาอยู่ตลอดงานเหล่านี้จึงถือว่าเป็นงานหลักของคนที่เป็นผู้นา หรอไม่ใช่อะไรเราคือตั้งตั้งแต่ภายในครอบครัวในช่องว่างระหว่างความคิดระหว่างใบระหว่างพ่อแม่กับลูกหลานฮะจะเห็นว่าเวลานี้ลูกหลานมันมันเด็กยุคคอมพิวเตอร์เรามันพวกจุกง่อนคนละยุคกันฮะมึงที่พูดกันไม่รู้เรื่องพูดกันไม่รู้เรื่องแล้วก็ไม่เข้าใจกันยายก็จะเอาอย่างนี้หลานก็จะเอาอย่างนี้แล้วก็ยายก็ว่าหลานนี่มันดือ้อไอหลานก็ว่ายายโง่หรือเอากันใหญ่เลย น, นี่มันก็เข้าหน้ากันไม่ได้ ขนากันไม่ได้เพราะ ง, งั้นถ้าหาจุดกลางการประนีประนอมกันมาคุยกันแล้วก็ตั้งปัญหาหคิดกันแล้วเด็กแกคิดไม่ได้เท่าไหร่แล้วว่าที่จริงอะ่ะแกจะพูดไปงั้นเองอเราก็ถามให้แกคิดคิดแล้วในที่สุดเมื่อแกยอมรับแกก็จะจำน้นเองแต่วิธีการเหล่านี้เราไม่ค่อยใช้กันนะไม่ค่อยใช้เพงั้นอะไรที่มันอึมครึมเราอึมครึมกันอยู่เรื่อยๆ เ, เลย ภายในครอบครัวที่ควรจะหันหน้าเข้ามาปรึกษากันก็ไม่ยอมปรึกษากันไม่ยอมทําความเข้าใจกันขวายน้องกระแวงขวานี้กระแวงในทสุดก็เมินเฉยกันก็กลายเป็นทะเลาะกันบันทีก็เก็บกดอารมณ์ไว้ก็กลุ้มกลุมองหน้ากันไม่สนิทเล ย, เนยในกรณีนี้ถ้าพระโพธิสัตว์จะพูดเฉพาะคนที่มาถามท่านนะชี้แจงเฉพาะคนที่มาถามท่า น, นปัญหาคือคนบางคนแกคิดแต่แกไม่พูดก็มีเพราะฉะั้นวิธีที่จะแก้ก็คือเอามาพูดกันทั้งหมดเลย ก่อนจะทําทงานร่วมกันก็ต้องพูดกันทั้งหมดให้ได้เสก่อนแล้วในที่สุดเราก็หาจุดของความเข้าใจกันได้ดังนั้นนายกองเกวียนนั้นนะฮะจะศัท ธ, ธาวาหะเนี่ยต่อมาเขาก็มาเรียกสัตถาเลยชื่อประสัสดาเพราะว่าคนที่เป็นพระพุทธเจ้านั้นต้องเป็นผูน้นํานําพาศาสนาให้รอดพ้นอันตรายต่างๆได้เหมือนกันนายกองเกวียนเหมือนกับนายกองเกวียนที่นําพาบริษัทบริวาลให้รอดพ้นอันตรายได้ เราก็เรียนศรัทธาเดวะมนุษย์สาวน่งเป็นผู้นำนะคำว่าศรัทธาจริงๆก็แปลในฐานะเป็นผู้นำเพื่อพร้อมที่จะให้เหตุผลแล้วก็ชี้แจงให้คนของตนเองนั้นเกิดความเข้าใจได้ปัญหาเหล่านี้เรื่องราวชาดกนี้เป็นเป็นหลักที่มองเรามองได้หลายหลายด้านด้วยกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือตัวตัวชาดกนั้นก็เป็นแบบในการตัดสินเรื่องราวต่างๆแล้วก็พยายามสแสวงหาประโยชน์จากสิ่งที่คนอื่นเขาอาจจะมองไม่เห็นแต่พยายามหาประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้นให้ได้ในกรณีนี้ก็คืออะไรความคิดริเริ่มสร้างสรรอะไรเขพูดในปัจจุบันเป็นความคิดริเริ่มสร้างสรรค์หรือว่าความคิดสร้างวัสดุหรือใช้ให้เกิดประโยชน์เนี่ยมันก็คือคืนแนวที่จะพยายามหาประโยชน์ หาประโยชน์จากสิ่งที่คนอื่นเขามองไม่เห็นหรือเขาคิดว่าไม่มีประโยชน์ถ้าเราไม่ปักอะไรลงไปในจุดใดจุดหนึ่งเพียงอย่างเดียวนะฮะว่าเราจะเอาอย่างงี้เท่านั้นในอย่างอื่นไม่เอาที่มันยุ่งตอนนี้แต่ถ้าเรามองให้เห็นว่าเอออย่างงี้ก็ดีเหมือนกันพอคอยทำอย่างนั้นเอออย่างนั้นก็ดีเหมือนกันมันก็ดีได้มันก็อยู่ได้สามารถที่จะทางานได้เช่นอาจจะ ถูกเปลี่ยนแปลงสถานะอะไรแต่ใดแต่เราก็มองให้เห็นประโยชน์จากเรื่องนั้นก็แสดงผีไม้ลายมือในกิจการงานเหล่านั้นได้ยกตัวอย่างมีขฆาชาาการก็ไม่ใช่ว่าจะอยากทําเฉพาะที่ตัวชอบทำแต่นั้นแต่เมื่อถูกย้ายไปอยู่ในจุดอื่นก็พยายามปรับปรุงตัวเองแล้วก็ทําให้ได้มันก็มองให้ดีก็จิตใจก็สบายเหมือนกันแต่กลายเป็นคนบุกเบิกกลายเป็นคนสร้างงานขึ้นมาใหมท่ทีนี้แนวอีกแนวหนึ่งที่ควรจะจับไว้นะฮะก็คือ ในบทพหุงเวท่วเนี่ย ท, ท, ที่จริงบทนี้เราสวดกันนะฮะหุเวสานังยันติป บ, บาตานิวนานิจะนะที่สวดสวดกันเนี่ยเอ่อในที่หนึ่งพระพุทธเจ้าสแสดงแกอักิทัปุโรหิตในคราวแรกนะฮะแตคราวแรกหรือคราวหลังก็ก็ไม่รู้แต่ว่าในใ น, ใน ร, รมบทเนะ่คาถามเหมือนกันนะก็อักิทัปุโรหิตนั้นสอนลูกศิษย์ให้ควบคุมวิตกวบคุมความคิดนะฮะก็คุมความคิดคือ ถ้าใครคิดเป็นในทางการมีตกตึงนึกเรื่องการเรื่องความพยาบาทเรื่องความเบียดเบียนแล้วนี่ให้ลงโทษตัวเองโดยการขนสายขนสายเลยพวกไอ้ดาบทนี่ก็ขนสายกันทุกวันน่ะแล้วก็ในที่สุดก็นับถือไอ้องูเมื่ก็มาอาศัยก็นับถืองูพระพุทธเจ้าก็เสด็จไปเยี่ยมไปโปรดอากิทัตปุโรหิตเป็นคนรุ่นเก่า แล้วก็เป็นปุโรหิตของพระเจ้ามหาโกศลคือพ่อของพระเจ้าปัตติเศสนีโกศลก็คือก็คนคนรุ่นรุ่นเสด็จปู่พระพุทธเจ้าเป็นนักปราศฉลาดมากพระุทธเจ้าก็แสดงบทนี้เหมือนกันแต่อย่าลืมว่าถ้าแสดงตามหลักของพระพุทธเจ้าจริงๆนะฮะพระพุทธเจ้าไม่ปฏิเสธเขาทั้งหมดหรอกแต่ว่าคนพูดข้าไปเกี่ยวข้องจะต้องมองว่าชีวิตของเรานั้นก็มีอยู่น้อย มันเรื่องอะไรจะมาสูญเสียเวลาไปกับเรื่องไปทรงเจ้าข้าวผีไปเรื่องทําอะไรท่าะไรอเดี๋ยวเราก็แก่เราก็ตายมันก็คล้ายๆกับเราไปอยู่ในขุมทองนะฮะคือไปเจอขุมทองแล้วเปนเรื่องอะไรที่ไปแบกเปลือกไม้มันเสียเวลาก็ไม่ได้ว่าอะไรมันก็แนวแนวอะไรแน ว, แน ว, แน ว, แนวที่นิทานเนี่ยเขาบอกว่าคนเดินไปสองคนนะฮะไปไปพบครั้งแรกก็เชือกป่านเชือกป่านก็แบกกันคนล็อกฟอนคนหนึ่งพบเชือกป่านพบเชือกได้ไอ้คนหนึ่งทิ้งคนหนึ่งไม่ทิ้ง แล้วก็พบอะไรดีบุกพบเหล็กพบทองเหลืองพบเงินพบทองไอคนหนึ่งทิ้งด้วยคนหนึ่งไม่เอากูแบกมานานแล้วเลยแบกป่านมันอย่างเงี้ยจากนั่นจนถึงกลับบ้านคนหนึ่งก็ได้ทองกลับบ้านไอคนนึงได้ป่านกลับบ้านนี่คือตัวอย่างที่ให้พิจารณาว่าเมื่อเรามาพบทองแล้วเนี่ยแล้วทําไมจะต้องแบกป่านก็ะทั่นนั้นเองแต่ไม่ได้หมายความว่าป่านไม่มีประโยชน์นะฮะป่านมันก็คือป่านมันกม็มีประโยชน์ในฐานะป่าน แต่ ว, ว่าทองอเราเปรียบเทียบกับทองเราเปรียบเทียบกันไม่ได้การยึดถือสิ่งที่เป็นศรนะัทธมันก็มีลักษณะเช่นเดียวกันไม่ได้ปฏิเสธศรัทธอื่นนะฮะไม่ได้ปฏิเสธศรัทธอื่นทุกจุดแต่ปฏิเสธในจุดที่ไม่ใช่ศรัทธอันกเกษมไม่ใช่ศรัทธอันสูงสุดแล้วไม่สามารถจะทําให้คนหลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้แต่นั้นเองดังนั้นในฐานะที่เป็น มนุษย์พบพระพุทธศาสนาซึ่งทั้งหมดนะเป็นเป็นเรื่องที่เราได้ยากตอนนั้นเกิดเป็นเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนามีชีวิตยั่งยืนอยู่แล้วก็มีโอกาสฟังธรรมเป็นโอกาสที่เราได้โดยยากแล้วก็ไดแ้แล้วได้แล้วก็ไม่น่าจะเสียเวลานะไม่น่าจะเสียเวลาที่ไปวิง่งรอกไปไปโยเรไป TM ไปอะไรแต่เม็ดเอ็น A กำลังข้ามาอีกแล้วตอนนี้ท GM อันนั้นทีนั้นคิดค่าปฏิบัติเท่าไหร่ฮะ 10% เอเก็เงินเดือนอทําอันนี้ส่งมาไกลาจากสหรัฐสินค้าแพงหน่อยแรงงานสูงเลยคนก็ก็ไปท m ออีก TM เอ็ก็คือระบบสมาธิของโยคะเฉยๆวิธีของโยคะเฉยๆแต่ว่าคนก็อุตส่าห์เสียสละเงินส0เอร์เก็เงินเดือนนะไม่ใช่เบาไปไปนั่ง TM อ็กันอยู่ได้ตอนนี้ก็มีอยู่สองจุดก็ไม่ได้ปฏิเสธรายข่าวนะฮะแต่ว่าเรามีแล้วเนี่ย เรามีแล้วทําไมเราไม่ใช้ของเราเองอ่ะแล้วไม่ต้องเสียสตางค์อะไรด้วยนี่ก็เป็นหลักที่พระเจ้าทรงสอนให้เลือกนะว่าอย่าปฏิบัติให้ผิดแต่เมื่อดีสองอย่างก็ดูอะไรดีกว่าดีกว่าด้วยกันก็ดูอะไรดีที่สุดอะไรที่ดีที่สุดด้วยการอะไรที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลและหน่วยความสุขให้ก็เอาสิ่งนั้นนี่เป็นวิธีการเลือกตามหลักของพระพุทธศาสนาห ว, วันนี้ก็ขอหยุดติไว้ได้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอ ความสุขความเจริญจงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกัน